วันนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันที่กลุ่มมาไปทำจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตรงในการฝึกหัดจริสติปฐานแนวเคลื่อนไหวทำไมจะเหลือแค่กรรมฐานกับการเคลื่อนไหว กายเกินไห้ใจรู้จิตใจคิดนกีก็มีความรู้สึกตัวให้มันเหลือแค่ประเด็นสำคัญสำคัญหนึ่งเดียวเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอะไระเป็นส่วนเกินตัดออก อะไรที่เป็นขี้ล้วตัดออกเชื่อกันว่าจะใช้ทิถฐาทำหลายอย่างมากมายเป็นโอรสสาทิรลดในพระราชวังก็มีจรดพลังคันแรกนาะขวัญน่าจะปิดที มีวิธีกา ร, รต่างๆม า, า, ากมายตอนไปบัตรดำตอนค้นหาวําเป็นทุกข์ากริยามีลัตติต่างๆท่านก็ศึกษาตามหลักตำรามามากแต่ท้าสุดวันเป็นเดือนหกขึ้นสิบห้าคำยามสามเปรากาวันพุธ การนั่งเจริญสติเรียกว่าอาณาปานสติการดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกปานอาปานมีการรู้ที่ลมหายใจจนได้คำตอบมาขยายผลไปง่ายขึ้น การเดินเพา่หน้าถอยมาข้างหลังเดินจงกรมการคู้เข้าเหยียดออกตราจะตื่นยันหลับมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกตัวถวพร้อม มันก็เป็นส่วนที่ตรงไปตรงมาเรื่องทาเรื่องศีลมันก็ดีอยู่แต่ว่านขนณะที่เราวันเวลาผ่านไปผ่านไปผ่านไปมันเหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลงชีวิตที่เหลือน้อยลงเนี่ยมันจะเสียเวลากับเรื่องอื่นไม่ได้ ริพอ์ความกังวลที่เกิดจากการคิดความผูกพันเครื่องพั น, นาการต่างๆที่มันท่วงเวลาปฏิบัติเราจะได้เห็นมันก็แสดงออกมาเรื่องบ้านเรื่องรูปเรื่องญาติเรื่องหมนะอาชีพการงานต่างๆการเดินทางไปมาหาสู่ ความสำเร็จเรื่องลิทธิ์ปฏิหารต่างๆการศึกษาเล่าเรียนนอกจากจะเป็นความรู้สึกตัวที่เราถือว่าเป็นสุดยอดของวิชาการที่มันจะพาเราพ้นทุกได้จริงเราก็ให้เวลาให้ความสำคัญ แล้วเรายันที่จะปฏิบัติไม่เกียรติไม่ค้านเรื่องการปฏิบัติที่ตัวเราเนี่ไม่เกียรติไม่ค้านแต่เรื่องอื่นจะดูเหมือนเกียรติเหมือนค้านก็แล้วแต่คนมองถ้าเรื่องปฏิบัติตัวความรู้สึกตัวที่กายที่ใจที่สรรสร้างขณะต่อขณะ กลับมาดูตัวเองเห็นตัวเองบอกตัวเองใช้ตัวเองอันนี้มันส่วนตัวส่วนตัวมันเป็นประโยชน์ตนให้คนอื่นมามากจนท้ายสุดมันก็แขว่งไดนะ้ชีวิตที่เหลืออยู่สับสนกังวล ไม่ได้คำตอบกับชีวิตเราถึงต้องเร่งความเปลี่ยนมีความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเพื่อขูดเกาเต็มที่คันถึงเครื่องเจ้าหมองต่างๆที่นอนเนื่องอยู่ใน จิตในใจของเรามันตกค้างมันเหนียวแน่นมันมอุประทานยึดเราต้องแยกคายตั้งแต่สติดูกายสติดูเวทนาสติดูจิตสติดูธรรมเลียดอ่อนลุ่มลึกไป จากยาไปหาละเอียดเราจะเห็นนะบนทินเครื่องเส้ามองไม่ว่าจะเป็นห่ังการมะมังการทิฏฐิมานะความทรานองความะยองลำพองความยิงยะโโอหัง อัตราตัวตนต่างๆมานาทิฏฐิต่างๆมันซ่อนอยู่ในชีวิตของเราเราก็อยู่กับมันหลายวันหลายเดือนหลายปีเป็นภาระบัดนี้เราเป็นสารละไม่เอาเป็นภาระเป็นสารละของชีวิตเป็นแก่นเป็นแก่นธรรม ทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวรู้รอบกองสังขารเราก็จะเห็นตัวหลงที่หลงเข้าไปในาการต่างๆับันนี้มันเปลีป่ยนเป็นผู้ดูนูอะไรเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นความรู้สึกตัวมัพาไป แต่ว่าใหม่ๆเราสังเกตได้ตัวหลงนะตัวไม่รู้ตัวอวิชชาตัวรู้แล้วรู้ไม่ถูกก็ตอนที่เราเคลื่อนมือนี่แหละนะเราเดินจงกรมนี่แหละนะเรานั่งเราเดินเรายื่เรานอนนะอิริบบทใหญ่อิรบทย่อยนี่แหละนะเรามีเจตนากําหนดรู้ความรู้สึกตัวนะมีการกําหนดมีกรอบมีการกํากับ มีกติกามีก ฎ, ก ม, กฎมีการกําหนดแต่ท้ายสุดมันก็ยังเผลออยู่นั่นแหละคืออาการลงเบื้องต้นะสมาธิตั้งใจมั่นกับการกระทำกรรมฐานแต่มันก็จะแวบไปสนใจเรื่องอื่น ถ้ามีสติหยิบมาใช้มันก็เป็นประโยชน์ในอาการต่างๆถ้าไม่มีสติมันก็กลายเป็นโทษมีทธ่พลมีการครอบงาทำไ้เรารู้สึกหนักอกหนักใจทุกครั้งที่กลับมารู้สึกตัวเราก็สังเกตได้มันเปลี่ยนจากหนักเป็นเบาเป็นโล่ง เ, เป็นว่างทุกครั้งที่หยิบที่ยึด เอาก็หนักวางก็เบาทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันวางมันเบาทุกครั้งที่ไปเอาในอาการต่างๆมันก็หนักไม่ต้องการยกมือก็เหมือนกันความรู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวแต่ละขนาถ้าเราเอามันอยากได้มันประคองมันมันก็หนักเราก็จะเห็นว่าเราเคลื่อนมือแล้วทำไมเราหนักเราเดินจนกลมแล้วทำไมเราหนัก มันก็ไม่แปลกถ้าเราสังเกตดูดีๆเราก็จะได้เห็นว่าอาการถอนอาการถอยอาการปรับที่เกิดจากการสังเกตแล้วก็ไหวตัวเอ่ยใจตรงนั้นนําทําให้เกิดลองรอยของปัญญาเบื้องต้น จากส ม, มถะเปลี่ยนมาเป็นวิปัสนาเบื้องต้นมันมีความเป็นไปได้สูงสาหรับผู้ที่สนใจที่จะเฝ้าดูในรูปแบบที่จะได้เห็นตัวเองชัดๆเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามจนกลายเป็นเครื่องะระลึกรู้ตรวดความฉลาด ปล ặt เปลื่นทางด้านปัญญาพุทธะปัญญาพุทธะมันเป็นปัญญาภาวนาเป็นปัญญาที่เหนือจากการใช้ความคิดการปรุงการแต่งสภาวะของนิพพานสภาวะของปกติไม่ใช่การปรุงแต่งสุขสุทุกข์ทุกข ก, กุศลอกนะุศลเป็นการปรุงแต่ง ปัญญาที่สังขารปุญญาที่สังขารขณะปฏิบัตินี่กลายเป็นมารด้วยนะกลายเป็นส่วนขี้ริ้วด้วย mm hmm. เพราะฉะนั้นคิดดีเราก็ไม่เอาขณะปฏิบัติคิดไม่ดีแล้วก็ไม่เอาอยู่แล้ว mm hmm. แต่ที่สำคัญก็คือเวลามันคิดดีขึ้นมา mm hmm. คิดแล้วเกิดปีติใจขณะปฏิบัติ mm hmm. อันนี้เราก็ไม่เอาเหมือนกัน เวลามีปิจิเนี่ยข้อดีของพิติคือมันทำให้เกิดความไม่ง่วงเกิดมาความง่วงเหงาหานอนหายปริทิ้งมันเกิดจากกำลังของสมาธิบวกกับความคิดความรู้สึกตัวจะเป็นตัวแก้อารมณ์การเคลื่อนการไหวของกายเป็นตัวแก้อารมณ์ทุกครั้งที่เพลิดเพลินมีความสุขมีความราบซ่าน มีความปราบปลืมใจกดลุกขนพองตัวเบาเกิดการติดจิตสถานที่ปฏิบัติรูปแบบปฏิบัติติดจิดสตสารพัดครูบาอาจารย์เราก็ได้เห็นว่ามันก็คือกีเร็วเหมือนกันคือทุกเหมือนกัน เราก็จึงไม่เสียเวลาเวลาล่วงไปล่วงไปบัตรนี้เราทำอะไรอยู่ละชั่วทำดีชำระจิตตัวชำระจิตการเคลื่อนไหวเดินจงกรมในรูปแบบเกิดความแตกฉาน ก็คือวิปัสสนาญาณมันแสดงตัวเป็นความสว่างสวยเบิกบานภายในใจทุกครั้งที่เข้าสู่การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบนอกรูปแบบทุกครั้งที่กลับมาเห็นรูปนามขั น, น้ามันเป็นตัวปฏิบัติที่มีคำตอบทุกๆขณนะหาให้สงสัย มันจะไม่สงสัยจึงมีการแบ่งไว้ว่าใครก็ตามที่ลราไม่มีความสงสัยในการปฏิบัติในรูปแบบปฏิบัติครูบาอาจารย์ไม่สงสัยในบุญในบาปในพุทธศาสนาในเรื่องของสมถะวิภัสศนามันก็เข้าข่ายแล้วเข้าข่ายของการสู่กระแสของภาริยะชั้นต้น ไม่สงสัยเรื่องของรูปของนามกายใจกันน่าสกายยะทิฏฐิไม่สงสัยในรูปแบบปฏิบัติศีลตะปาศีลตะตปรามาณมันจะไม่สงสัยมันจะมีะการเดินทางหลวงพ่อเขียนท่านใช้คำว่าพอเราปฏิบัติไปไปเดือดไปเนี่ยมันจะพลัดตก ตกถล่มตกลงไปในกระแสของมักคือเป็นลนักษณะของการวางคิดวางใจที่สมดุลเข้าซองเปรียบเหมือนม้าที่เข้าซองอยู่ในซองมันก็หมดพยศมันจะมีแต่ความเป็นปกติแสดงออกมาก่อนเมืองต้นให้ได้ชิมรสชาติของธรรมรส น้ำจืดๆกับน้ำหวานน้ำขมน้ำหวานก็ดีน้ำขมก็ดีน้ำหวานให้พลังแต่มากเกินไปก็เป็นโทษน้ำขมเป็นยาก็ดีแต่ว่ากินบ่อยๆก็เป็นโรคเพราะยานั่นแหละเรียกว่าหมอ ง, งูตายเพราะงูแต่ว่า ท้ำจิตจืดดื่มได้อยู่เสมอไรรสชาติแต่ขาดไม่ได้จิตใจที่เป็นอารมณ์จืดจืดก็เหมือนกันมันขาดไม่ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับชีวิตนี้จืดชืดชีวิตนักบวชชีวิตประมาจันหรือว่าผู้ที่เข้าวัดเข้าวาบางทีจะเป็นชีวิตที่จิตจืดเม่อความสุขตัวอันพาให้จิตเราจืดจืด บางทีพอมีอารมณ์ที่เป็นรสชาติสีสั น, ขนเข้มข้นเกิดขึ้นมาบางทีทั้งชีวิตนะเราไม่เคยได้เจอมันก็ติดได้แต่บางคนทั้งชีวิตก็ได้เจอแล้วเปรี้ยวหวานมันเค็มไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวอาจจะเคยผ่านกันมาแล้วแบบเจ้าชายเสียแตแบบหลวงปู่เทียนแบบน้องพ่อกำเขียนมันเป็นยังไงชีวิตครอบครัวครัวมาครอบ จะมีโขกมีสับมีหั่นมีหั่นมีต้มมีตุ๋นมีทอดมีเผามีจีชีวิตครอบครัวก็จะเป็นหนึ่งนั้นนะจะร้อนหลนทุลนทุลายรสชาติของชีวิตจะมีเปรี้ยวมีหวานมีมันมีเค็มมีเผ็ดมีขมมีคืนชีวิตครอบครัวมีจืด คนในอยากออกคนนอกอยากเข้าการเมตตามก็จะเป็นเช่นนั้นน่ะเหมือนกันอารมณ์น่ที่เป็นเรื่องของกุศลอกุศลที่เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรามีสติปั๊บเราก็จะได้เห็นว่าเลือกได้ทุกอย่างไม่ได้หายไปไหน ทุก อ, อย่างยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าเลือกหยิบ ม, มาใช้ได้เวลาเราจเจริญวิปัสนาสร้างความรู้สึกตัวเราเห็นอนารมณ์ต่างๆมันผุดเกิดขึ้นมามพ่อเขีย น, นั้านใจก็ว่าเรียงแถวมาให้ดูสภาวะผู้ดูแลก็ดูอยู่ตรงประตูใจหลวงพ่อเตียนท่านเปรียบเทียบว่าอยู่กลางๆ ปากถ้ำอยู่ปากถ้วางกายไกลๆวางใจกลางๆแล้วสังเกตยืนอยู่ปากถ้าไม่ใช่ในถ้าแล้วก็ไม่ใช่นอกถ้ำถ้าแปลว่าผู้ดูสภาแว่าความเป็นกลางกลางๆเหมือนกับท่านอยู่ในห้องแล้วท่านก็เปิดประตูออกมา ท่าจะบอกว่าอมันเป็นสมบัติของคนผ่านถ้าเข้าไปอยู่กับมันไปยึดมันแต่ถ้าออกมาดูมันเป็นสมบัติของคนผ่านมองไปข้างนอกโอ้มันสว่างสวย เป็นแสงสว่างแล้วท่านก็บอกคือว่าพระอาทิตย์ที่สว่างมันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามเมฆหมอกม่านหมอกเนะี่ยมันมาบางังที่จริงฟ้ามันไม่ได้บด ท, ที่เรามองว่าฟ้าบดเพราะมีเมฆมาบางังเปรียบเหมือนกับว่าจิตเดิมแท้มันประพันสอนผ่องใส แต่ว่าความคิดการปรุงการแต่งอารมณ์มันจอนมาจิตเดิมแท้ประพัฒสอนผ่องใสแต่ว่าอุปกิเลสมันจอนมาอุปกิเลส ม, ม, มีอะไรมั่งที่มันจอนมาความโลภความโกรธความหลงนะความวิจาริษยาเห็นโกงจักเป็นดอกบัวรู้แล้รู้ไม่ถูก มันเป็นกิเลสเป็นอุปกิเลสเพราะฉะนั้นคนที่หาได้ยากที่สุดหนึ่งก็คือคนที่อุปการละก่อนเป็นคนที่หาได้ยากที่สุดมันเป็นคุณธรรมต้องมีการอุปการะกันก่อนสองก็คือกตันยูตอบเมื่ออุปการละแล้วกระตันยูตอบที่เป็นคนที่หาได้ยาก เ่อเราจึง nee, ทําดีเราร้องไห้ทําดีทั้งน้ําตาเพระเหตุว่าทําดีไม่ถูกดีทําดีไม่ถูกคนทําดีไม่ถูกกาละเทสะทําดีไม่ถึงดีอีนิดเดียวจะดีแต่ก็ท้อไปซะก่อนนก็ต้องเริ่มต้นชีวิตกันใหม่สร้างสรรผลงานกันใหม่ทําดีไม่ถูกคนหมายถึงอะไรเขาอคติเราวไปทําดีกับเขายังไงก็ไม่มีดี แต่เราก็เชื่อว่าทุกคนไม่ดีขนาดไหนลึกๆ ก, ก็อยากเป็นคนดีเป็นอย่างข้ามันนั้นเราช่วยกันทุกคนตัวนี้สำคัญในโลกนี้เราสามารถช่วยกันได้ทุกคนจัด้ารสิ่งอันนั้นก็คืออัิบัญญามันอยู่ในหัวใจของผู้ที่มีสติเราก็รู้จักหยิบเอาคุณธรรมมาใช้แน่นอนเพราะในสติมันเป็นการระลึกรู้มันมีสมัญญามันมีปัญญา ในสติมันมีศีลในสติมันมีปัญญาทุกครั้งที่ทำอะไรก็ตามก็ผ่านความรู้สึกตัวนี่แหละมีตัวเราอยู่เราก็จึงใช้ชีวิตนะไม่เป็นคนเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายเป็นคนที่พร้อมอยู่เสมอเพราะความรู้สึกตัวมันทาให้เป็นเช่นนั้น การเดินการนั่งการยืนการนอนให้สังเกตให้ดีก็แล้วกันถ้าเดินเนี่ยจะฟุ้งมากคิดมากถ้านั่งนี่จะง่วงง่ายมันง่วงจริงๆมันง่วงแบบจะเป็นจะตายอันนี้ก็คือสภาวะธรรมถ้าใครเดินมาถึงยกมือแล้วง่วง นั่งสร้างจังหวะแล้วง่วงมองดีๆสติในระดับที่เห็นความง่วงเนี่ยมันปะนีตมันแยบคายเรจแล้วพอเห็นปป๊บมันตื่นทันทีมันไม่คอเคลียร์ไม่อ้อยอิ่งมันสลัดทันทีมันก็หิวข้าวคนมีตังก็ซื้อมากินทันทีอิ่มทันทีเห็นความหิวคือเห็นทุกข์นั่นแหละ เห็นเหตุแห่งทุกข์ก็เราเว้นเวลามานานแล้วเราไม่ได้ทานข้าวอย่างตอนนี้บางคนก็หิวแล้วละอย่างตมาก็หิวแล้วพอเว้นมาหลายชั่วโมงก็หิวแล้วแต่เราก้าวลุงจากความทุกข์ได้ไงก็ไปหาข้าวมาแล้วรัทานซะรู้ว่าฉันซะ้านรับทานอย่างมีสติก็เรียกว่าฉันย เป็นภาษาของพระถ้าเป็นโยมก็รับประทานกินโดยจะเรียกอะไรก็ตามตามอาการที่มันแสดงออกจากหยาบไปหาละเอียดสเสวยอย่างเงี้ยจริงๆเป็นคำธรรมดาธรรดาของขเขมรซึ่งใช้ภาษาบาลีอยู่แต่ของเรานี่เอาไปใช้สูงเป็นภาษาของกษัตริย์ สเสวยก็แล้วแต่จะสมมติบัญญัติกันไปอาบน้ําก็เรียกว่าส่งน้ําถ้ามีสตินอนหลับก็เรียกว่าจําวัดถ้ามีสติเดินถ้ามีสติก็เรียกว่าเดินจงกรมเดินจงกรมจอจานงงูกอไก่รอเรือมอแม่เดินเพื่อจะให้มันมีสติรู้อยู่กับปัจจุบันในสิ่งที่เรากําลังทํา หรือว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นกับกายกับใจที่เรียกว่าอาการเป็นรูปธรรมนามธรรมเราก็ได้รู้จักใช้กาย mm. ใช้ใจใช้วาจาขณะต่อขณะ mm. เกิดคุณภาพของชีวิตต่อต่อมา mm. ไม่ปล่อยให้เป็นอย่างที่เรา mm. เกิดใช้มาทั้งชีวิต mm. เพราะว่า mm. การฝึกกันหัด mm. mm. บางทีเราก็ไม่กล้าที่จะฝึกเหมือนกัน อย่างยกตัวอย่างยอมที่เพิ่งตายไปแล้วเมื่อวานไปเยี่ยมอายุน้อย40ปีกำลังลุ่งมาก40เข้า 40, 41ชีวิตกำลังมีความสำเร็จสูงเป็นที่รู้จักกันทั้งจังหวัดเป็นสถาปนิกเก่งทำงานมีผลงานแล้วคนยอมรับทำมาตะไรก็ขายหมดขายหมดขายหมด ใช้การสันาานากสันาานารตีก๊อบ mm hmm. เป็นสันาานาการหลังจากที่เครียดมา mm hmm. ใช้การสูบุหรีเดื่มเล่า mm hmm. เป็นการผ่อนคลายชีวิต mm hmm. กบขกันชีวิต mm hmm. ท้ายสุด mm hmm. มะเร็งเกิดภายในหนึ่งเดือนตายหลายคนก็ไม่เชื่อกัน ผู้จัดการแบงค์หรือว่าผู้รู้จัก <Okay. S 1> เพื่อนรวมกวรนกรอลด้วยกันหลายคนก็ไม่เชื่อชืมกันที่สุดก็คือถึงแม่อายุน้นอยๆแต่ว่าความดีที่ทำให้กับสังคมนี่เยอะเหลือเกิน ดอกไม้ตั้งแต่ปากทางจนกระทั่งเข้าถึงในบ้านมีแต่ดอกไม้ดอกกุหลาบพวงหลีดเป็นแถวยาวเหยียดเลยสภาพภายในบ้านก็เสียดายกันเพราะว่าธุรกิจที่เกิดได้กับคนคนนี้เป็นคนใช้สมองใช้หัวคิด ทุกครั้งที่เจอกันพูดคุยสนทนาทุกเรื่องพูดได้แต่ถักเข้าตัวปฏิบัตินี่จะไม่เอาเลยจะอุ้มลูกเดินออกไปเราก็ได้เห็นอันว่าก็สังเกตคนได้นะสังเกตได้บ่อยลักษณะคนที่เข้ามาพะพูดถึงเรื่องปฏิบัติแล้วถอยไปนะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแค่เสียดายมีอยู่คนหนึ่งที่นี่ ชื่อใหญ่ต้อยอาตมาก็เสียดายเขาไนะใหญ่ต้อยเล่าแล้วเล่าอีกพูดแล้วพูดอีกว่าเป็นอุทาหรสอนคนดีแล้วแกก็ตายไปแล้วด้วยชื่อคุณนายพิมพินันเพราะว่ามีสามีเป็นนายทหารใครๆก็เรียกคุณนายต้อยคุณนายต้อยมาวัดตุกโตเนี่ยคนที่เกียรติที่สุดก็คืออาตมานี่แหละคนที่เขารักที่สุดก็คือหลวงพ่อคำเขียน เขาลักที่สุดมาอยู่ที่นี่เพราะหลวงพ่อบอกให้มาตายที่นี่หลวงพ่อจะดูแลเองคุณนายต้อยก็ชอบมากส่วนอาตมาเจอที่ไรก็บอกให้รู้สึกตัวนะคุณนายไม่เห็นเดินจงกลมเลยไม่เห็นนั่งสร้างจังหวะเลยเอาตะเข้าครัวทำอาหารอยู่นั่นแหละต้ายสุดแก่ก็เป็นมะเร็งเหมือนกันคุณนายต้อยขณะเป็นมะเร็ง ระยะท้ายสุดตัดนมทิ้งหมดแล้วสร้างกุดสร้างเกตเฮ้าตอนนี้แม่ชีแต้วไปอยู่หลังเนี่ยกับุดหน่อยปรากฏว่ากุณนายต้อยก็ขับรถสตาร์ดากับผู้พันนะ่นะไปเที่ยวตามวัดนั้นวัดนี้วัดนู้นไม่ได้สนใจยกมือสิบสี่ิงกว่าไม่ได้เดินจงกรม เวลาเรามาบอกคุณนายปฏิบัติธรรมบางเดแกจะพูดเลยทำอะไรก็เป็นการแบบทําธนั่นแหละอาจารย์ตอนนั้นแกมาได้เรียกอาจารย์นะเดือดแกเรียกหลวงพี่หลวงพี่ทำอะไรก็ปฏิบัติธรรมนั่นแหละอาหราก็ไม่พูดก็ได้เพราะว่าจะพูดไปคำหนึงสวนมายาวขนาดนี้ก็ก็ชวนปฏิบัติกับปฏิบัติที่เห็นเป็นไรเลย จะแบบวิธีการแบบไหนก็ไม่ได้ว่ากันเพียงแค่เตือนกันเฉ ย, ยๆในฐานะที่เป็นเพื่อนเป็นผู้ที่ปทาถนาดีเราอยู่ด้วยกันแล้วก็เตือนกันหรือว่าจะเตือนเราบ้างก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันอย่างเงยคไนไอ้ต้อยก็ไม่ได้สนใจใส่ใจท้ายสุดลื่นในห้องน้ําหัวฟาดค็นี้เวทนามกล้ามากนอนร้องโอ๊ยโอยโอยอันนี้ไม่สมภูมิฐานของนักปฏิบัติธรรมที่มาอยู่วัดอยู่วา เรเจริญสติปัฏฐานเพรโดยส่วนตัวเนะบอกเลยว่ามันไวมากหลวงปู่เทียนก็ท้าทายอยู่แล้วมันไวมากคนที่เคลื่อนไหวจริงๆเนี่ยสังเกตดูดีเมื่อรู้รูปนามแล้วเนี่ยมันไวเลยละ่ะหลวงพ่อถึงใช้คําว่ามันถล่มมันตกลงไปในกระแสถึงตรงนี้มันจะไปไหนได้มันก็ไหลไปเอียงไปสูม่มรรคผลนิพพานออกจากทุกข์แล้วเจอคุนายต้อยก็ ก็โรงพยาบาลไปนอนให้อาหารแล้วก็ไปตายระหว่างทางที่ย้ายโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลแก้งคอไปโรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมันก็น่าเสียดายชีวิตมาอยู่วัดอยู่ไาท้ายสุดก็คือร้องโอยโอยหาพ่อหาแม่ร้องเรียกคนรอบตัว อีกสักประมาณงานศบเสร็จก็จะมีเนนที่บวชหน้าไฟก็คือคนที่เฝ้าไข้คนตายคนตายก็สั่งไว้ให้มาบวชแล้วก็ปฏิบัติธรรมแทนด้วยส่วนคนตายบอกมาอยู่สุกโตแล้วขออเขาบอกก็จะมาคอยอยู่ที่สุกโตสั่งเสียให้คนรอบๆตัวปฏิบัติธรรมตัวเองพลาดไปแล้วคนวอล เ, เวส ไดนิมิตหลวงพ่อเขียนนอนหลับไป3มชั่วโมงหลังจากทนมานานทนบอกว่าลูกนะคิดถึงพ่อพ่อก็คิดถึงลูกลูกอยู่บ้านพ่ออยู่โรงพยาบาลอยากเห็นหน้าลูกอยากกอดลูกเพราะนั้นตายไม่ได้ ก็เลยฝืนไม่นอนหลับจนกระทั่งตายสุดมันก็ทนไม่ไหวะนะบวกการหลวงพ่อเขียนท่านก็มีเมตตาบอกว่าส่งกระแสจิตมาแผ่เมตตามาให้ความดีทั้งหมดที่หลวงพ่อทำมา4ี่าปีจากการบวชก็ยกให้คุณวัวระเวทคนเดียวอันนี้ก็เป็นภาษาที่ออตมาก็ใช้เป็นประจำ ก็ไม่ได้จำมาจากหลวงพ่อคำเขียนแต่ความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้นเคยไปเยี่ยมยายก็เคยพูดอย่างนั้นเหมือนกันความดีที่เคยทำมาทั้งหมดจากการบวชจากการสอนคนบอกคนก็ยกให้ยายคนเดียวแต่งานนั้นยายรอดเดือนนี้อายุเกือบร้อยปีแล้วยายไปเทศที่ไหนก็จะบอกอย่างนี้แหละให้ระมัดระวังกับการใช้ชีวิต มีความรู้สึกตัวปรากฏวราคุณบลเวสก็สั่งเสียอย่างดีเลยให้คนรอบตัวพนักงานมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุกโต15วันแล้วก็บอกว่าวันบาเลนไทยเนี่ยต่อคุณหลาบเขาคงจะให้ภรรยาไม่ได้ฝากลูก เอาดอกไม้ให้แม่ทีปรากฏว่าในวันที่เขาให้ดอกไม้กันวันวนเนาเลนไทน์คือนั้นนะเอาศบไปตั้งที่บ้านพอดีเาก็จัดกิจกรรมให้พอให้ดอกไม้เสร็จไปดับเป็นไงล่ะทีนี้ผีหลอกใช่หมตัวคิดกันแบบนั้นนะ จริงๆต้องเป็นจังหวะนะจังหวะของมันที่มันจะต้องเกิดพอดีอะไรนี้มีเหตุมีปัจจัยแต่คนเราก็จะโยงใจความคิดโยงเข้าหาจะเหมือนกับเป็นเรื่องที่มันชนคนหัวลุกอะไรประเภทนี้จริงๆเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานะผีจริงๆมันคืออะไรเวลาปริบัติธรรมเนี่ยจะถอดละหะได้ละหมดเลยเทวดาคืออะไรคนคืออะไรผีกระสือเป็นยังไงผีกระหังเป็นยังไงน สันนลกอสูรละกายเปย็นงไงเทวดาพรอมเป็นงไงพระเป็นยังไงมันทอนรหัสให้หมดเลยนะพลอมมีกี่ชั้นอะไรมันทอนให้หมดนั่นแหละไม่ต้องห่วงมันหรอกจึงไม่ต้องมาเรียนรูนะ้ไม่ต้องมาเรียนรู้จากตำรับตำลาวิธีปฏิบัติธรรมเนี่ยแนวหลวงปู่เทีย น, นยใช้การกระทำลงไปเลยปฏิบัติการลงไปเลยความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละสติที่เราระลึกรู้แต่ละขณะนั้นมันจะเป็นกุญแจไปไขเนี่ย ให้เราได้เห็นธรรมชาติทั้งหมดนะทั้งภายนอกและภายในองค์สมเด็จสัมมาเจ้าจึงใช้คําว่าโลกาวิถูโลกาวิถูก็คือมันรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะโลกของกายโลกของใจกายฟังศอกยาวานาคืบนะโลกของสังขารสังขารละโลกเนี่ยโลกคือแผ่นดินโลกคืออากาศ ธ, ธาตนะุมันจะเป็นเรื่องที่น่าอาศัศจรรย์ใจมากอุตส่าห์ศาสนาเรานะ เราก็จึงใช้เวลากันแล้วนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะทางทชีวิตราช ก, การนะศึกษานะกายใจของเรานะก็คือวิชาพุทธศาสนานะั่นแหละให้มันจบนะให้มันจบซะก่อนที่เราจะตายจากกันทิ้งโลกไว้ข้างหลังนะวัฏฏะสงสารที่มันยาวไกลให้มันจบลง เพราะว่าปีนี้เป็นปี 2,600 แล้วก็เป็นศูนย์กลางของศาสนาโลกประเทศไทยพระมหากร์ทุประองค์เป็นพุทธมาม ก, กะด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นพุทธศาสนาโลกและวเก่นแท้ของวิชาพุศาสนาเนี่ยก็ยังมีอยูวยว่เพราะที่นี่วัดป่าสุกโตแต่คนที่จะสัมผัสแล้วก็มาเป็นทรัพย์สมบัติของตนเรียกว่า มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติเป็นสุขสามอย่างล้นเนี่ยมันก็จะปรากฏกับคนที่สร้างความรู้สึกตัวอย่างถูกต้องแล้วต่อเนื่องท่านั้นเป็นก็ขอให้อันนี้สงของพวกเราทุกคนนะที่ปฏิบัติ ด, ดีกันมาแล้วก็ตั้งใจที่จะประพฤติวัดปฏิบัติธรรมก็ขอให้อันนี้สงทั้งหมดทั้งสิ้นเนะี่ยรวมกันเป็นเหตุเพรา ะ, ะปัจจัย คำจุนหนุนส่งให้เราได้มีโอกาสนะเดินตามรอยตามกระแสสู่มรรคสู่ผลจนทั้งเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายเหนือทุกข์ในปัจจันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นงเธอ